ท่านทยคาวิาจารทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของนรกขุมที่แปดมาเล่าสู่กันฟังแต่ความจริงเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนี้ไม่ใช่ความรู้ของผมผมก็งัดอับาลีเรื่องนรกที่องค์สมเด็จตั้สส ม, มาสมพุทธเจ้าทรงสอนไว้มาอ่านให้ท่านฟัง <c oughs> สำหรับบาลีเรื่อนรกขุมนี่แปดขอพูดเป็นภาษาไทยเลยไม่นำบาลีมาพูดมันจะยุ่งท่านให้นามว่าอาเวจีมหานรกอเวจีมหานรกนี่เป็นนรกที่น่าพิสมัยมากรวมความว่านรกแต่และขุมมีคนก็ถามกันอยู่เสมอ ว่านรกจะบรรจุคนได้ทั่วโลกหรื อ, อยังไงแต่ผมก็ขอตอบว่านรกพิ้งขุมเดียวคนในโลกทั้งหมดเพิ่มอีกสักพันเท่าแสนเท่าก็ยังไม่เต็มนรกเพราะว่านรกกับสวรรค์มีสภาพพิเศษเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งค <c oughs> ือว่าจะมีอะไรพอดีพอดีอยู่เสมอ กับคนที่ไปในแดนนั้นไม่เหมือนในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์เรามันจะมีแคบมีคับเรียกว่ามีไม่พอสำหรับเมืองสวรรค์ก็ดีเมืองนรกก็ดีมีคำว่าพออยู่เสมอฉะนั้นท่านนัหลายที่มีความต้องการไปในรกก็ไม่ต้องมีความห่วงใยว่าดินแดนในเมืองนรกนั้นจะเต็มเกินไปท่านจะอยู่ไม่ได้ เพราะว่าทานนรกยินดีต้อนรับท่านเสมอมีความจริงเขาไม่ได้แจ้งผมมาโฆษณาหรอกนะกะเลยว่าผมเต็มใจโฆษณาให้แกเมืองนรกเพราะว่าเห็นว่าคนส่วนมากเขาพอใจจะไปกันก็เกรงว่าจะหนักใจว่าเมืองนรกมันจะเต็มเสือก่อนเรื่องนี้ไม่ต้องหิตกกังวลเขา จ, จัดสรรไม่พอเพียงแกคนทั้งหลายที่จะไปในเมืองนั้น มาคุยกันขึ้นนรกขุมใหญ่เธอเวจีมหานรกท่านบอกว่าบรรดาสัตว์ที่ไปอยู่ในนรกขุมนี้ได้รับความทุกข์โทษอย่างแสนสาหัสเพราะว่าในระหว่างแห่งเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีความว่างเว้นเลยแม้แต่นิดเดียว ในนรกนี้ไม่มีการหยุดพักแม้แต่สักระยะหนึ่งพ่ะเถอะเอ้ยังก็ทุกขุมนั่นแหละเออบาลีถ้าว่าอย่างนั้นแต่ความจริงเพราะว่านรกทุกขุมไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักเขาขยันในนี่นี่ญาติ บ, บาลไหวหมอนี่เรียกชื่อลิ้นันงข็ง แกขยันทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงว่าแกจะเิน็ะเหนื่อยสัตว์นรกได้รับความทุกข์ประมาณอยู่อย่างหนักเสมอตลอดเวลา <c oughs> ไม่ใช่บางครั้งบางคราวแม้ท่านพันานาทะแย่เลยเหมือนก็บคนอื่นเพราะว่านรกขุมนี้ชื่อว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ปราิจากอ่ ตัติจักอะไรเป็นนารกที่ปราศจากคลื่นคือความเบาบางแห่งความทุกข์ท่านพนาถ้าไม่ก็ดีนะอตาผมมันไม่เคยดีอ่านนัสือไม่เือออกเรีย <c> ก <oughs> <c oughs> ว่าของท่านไปก่อนวันนี้ยังไงยังไงก็เห็นยี่มีทางคุยนอกเรื่องกันได้บ้าง เมื่อกล่าวถึงชีวิตแห่งความเป็นอยู่เราสัตว์ในเวจีมหานรกถ้าว่าอย่างนั้นท่านบอกว่ามีความเป็นอยู่อย่างทร ม, มานด้นรับทุกเวทนาอย่างแสนสาหัสที่สุดเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกคุ้มใหญ่ที่สุดกว้างกว่าบรรดานรกทั้งหมด ผมบอกแล้วบอกว่านรกขุมนี้เขาชอบเก็บพระเก็บเนนพระเนนไม่ต้องห่วง้ออยากจะไปนรกขุมนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ได้เราเตรียมไว้แล้วแต่บอกว่าหน้ากลัวหน้าสยดสยองและเป็นที่ราวก็ว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ด้วยแสงไฟ ไฟไม่ใช่มีแต่แสงอย่างเดียวมีความร้อนจัดภายในก็มีเปลวไฟร้อนระอุท่านบอกว่าเปลวไฟนี่ความจริงไม่ใช่เปลวมันเป็นกระแสะไฟที่ร้อนระอุพรนรกคุมนี้ไม่มีเปลวนะไฟมันละเอียดจริงๆไม่สัตว์นรกนยุ่นเรียงนิษทั้งกลางบรรลากลางคืนไม่ว่างเว้น นี่ว่าตามจำนวนของท่านนะมันคุกรักคุกรักกนหน่อย <c oughs> แล้วสัตว์ที่ไปเกิดในนรกมหานรกอเวจีนี้ก็มีระมาณมากกว่านรกคุมอื่นๆแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันไมมผมไม่เห็นแออัดเลยอยู่ก็อย่างสบายบอกแออัดยัดเยียดที่หมายความว่าเป็นสัตว์เป็นแดนที่มีสัตว์นรกมากที่สุดก็แล้วกัน อันนี้เห็นจะเป็นอาจารย์ฐาจารท์สอดใส่คำคำ บ, บอกว่า อ, อ, อัตยัดเยียดไม่เมีผมเห็นแล้วไม่มีอยู่กันอย่างสบายและการสวัยทุกขเวททุกรททกระททุกเวทนาในกลุ่มนี้ก็มีอาการแตกต่างกันไปหลายริยาบทไม่จริงเพราะนี้ท่านพูดกอบท่านถูกเอ๊ะผมจะมากไปละมั้ง ความจริงนี่เป็นพระพุทธพจน์บทพระบาลีแต่ก็มีอัตถกถาเติมเข้ามาบ้างอย่าไปบอกว่านี่จะลืมว่าพระพุทธเจา้าท่านพูดท่า น, นถกเสมอท่านบอกว่าไหลายิยาบทคือหลายท่าหลายทางเช่นคนเคยยืนทําบาปอกุศลไว้ก็ต้องทุกขทรมานอยู่ในดิยาบทยืนเคยเดินทําบาปไว้ก็ต้องเดินทนทุกข์อยู่ เอ๊ hey, ไม่จริงจริงหรือไม่จริงพ้นไปไม่ถ้วนเคยนั่งเคยนอนทําบาปไว้ก็จะมานั่งมันนอนเสวยทุกขเวทนาในมหานรกนี้อิมัยความว่าคนเคยเดินทําบาปก็อยู่ในท่าเดินรวมความว่าเคยทําบาปกำรรเอาไว้อย่างไรก็ต้องเสวยทุกขเวทนาในยาบทนั่นในมหานรกนี้ เดี๋ยวเพ่อนจะคุยให้ฟังด้วยลักษณะเช่นนี้จงกว่าจะหมดอายุไขสำหรับอายุไขของนรกขุมนี้ก็มีเวลาหนึ่งกับสบายเป็นนั้นว่านรกขุมใหญ่แปดขุมหมดกันแปดขุมเพียงเท่านี้แล้วก็อย่านึกว่าหมดแต่เพียงเท่านี้นะยังมีหลายร้อยขุมที่กำลังจะรับรองท่านอยู่ข้างหน้า เป็นอ น, นว่าเวจีมหานรกนี้ผมเคยแปลภาษาบาลีเคยแปลบาลีมาท่านบอกว่าเป็นอาจารรงผมก็มานั่งคิดว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ประกอบไปทุกเวทนาอย่างหนักทําไมท่านยังใช้ศัพท์อาจารรงคำว่าจารังนี่คือไม่หวัน่นไม่ไหวไม่ดินไม่รน อยู่กันแบบสงบคราวนี้ก็ไปดูบาลีต่อไปบาลีต่อไปท่านก็เลยบอกว่าไอ้ที่เราเป็นอาจารรงนะั่นแหละความจริงไม่ใช่ไปอยู่กันแบบสบายแต่ว่าถูกหอกตรึงไว้หมดขยับขยื่นไม่ได้คราวนี้อาจารังแนะ่ไม่ดิน้นไม่รนไม่วันไม่ไว้ ดูตัวอย่างท่านโกการิกะรู้จักกันไหมเล่าพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักท่านโกการิกะไหมและก็ลวงพี่ผู้พี่องค์คือลุงพี่เทวทัตหลวงพี่โกการิกะกับลวงพี่คือว่าเทวทัตนี่ท่านอยู่กันคนละคนละอิทธยาบทเอาพูดยงยดีกว่าพูดภาษาไทยอยู่กันคนท่า อิริยาบถเวรสาบาลีมีท่าไม่เหมือนกันเพราะว่าพระเทวทัตยอยู่ในท่ายืนแต่ท่านตะโกากาลิกะอยู่ในท่านั่งแต่ไม่ใช่นั่งปกติท่านลองทำท่าตามผมพูดดูก็ได้ลุกขวานั่งเหยียดขาไว้หน่อยหนึ่งชันเข่าขึ้นแล้วสองมือรัดปลายเข่า ในท่า น, นี้นะท่าของท่านบโกาการิกา <c oughs> และไปดูแล้วมันมีกำแพงเหล็กอยู่สี่ด้านเพราะว่าตามที่ท่านบอกว่าเบียดเสียดยัดเย่กันนะ่ะก็หมายความว่าคนในนรกคุมนี้นะ่ะ ม, มันมากเหลือเกินแต่การที่จะไปนั่งเบียดกันในะนรกที่มันไม่มีผมไม่ได้เห็นนี่ ที่ตาลุงแกชี้ให้ดูก็มันไม่เห็นเบียดกันเลยแต่ว่าท่านใช้ศัพท์ไปสำนวนศัพท์เนี่ยท่านนานๆเข้าแล้วมันจะมีการดัดแปลงแก้ไขเ <c oughs> จ้นั้นท่านยังไม่ยอมให้เลิกเพระมาบาลีบาลีนี่ต้องส่งไว้แต่คืนใช้เป็นภาษาไทยกันทั้งหมดไม่มีภาษาวาลีควบคุมไม่ชา้าก็พัง นี่เพียงท่านแปลในบาลีออกมาก็ยาวสอสแสดแทรกถ้อยคำเบียดเสียดยัดเยียดเข้าไปนี่มันผิดไม่ถูกทำไมถึงว่าไม่ถูกอันนี้ผมขอกล่าวให้ท่านฟังขอบอกท่านเพราะว่าผมเคยตายผมไม่ได้ใช้ชาญสมาบัต ผมไม่รู้ตอนนั้นเป็นเด็กชานสมาบัติไปยังไงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมเคยตายตายแล้วก็ไปใกล้แดนนรกในขณะที่ไปถึงในคราวนั้นก็ปรากฏว่าท่านลงงพ่้มีจิตอารีถามว่าต้องการจะดูอะไรนี่ผมเป็นเด็กเด็กนี่ผมก็ไม่รู้ มนานรกตจะมีกี่ร้อยกี่พันขุมไม่กี่ขุมกัก็ไม่รู้ที่รู้กันได้เป็นจำเจกันอยู่เสมอก็คื อ, เ, อเวจีมหานรกเ <c oughs> ล้วท่านผู้ใหญ่ท่านขู่ไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีแล้วก็จะต้องตกนรกอย่างเทนเทวทัตถ้าว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าเถนเทวทัต ท, ท่านอยู่ที่ไหน ได้ก็บอกว่าอยู่ในเอเวจีมหานรกถามท่านผู้ใหญ่ว่าเอเวจีมหานรกเป็นยังไงท่านบอกว่าเต็มไปด้วยความลําบากมากมีไฟเผาไม่หอกตรึงเมื่อถามท่าทีว่าท่านท่านเห็นไหมมีท่านผู้ใหญ่ที่เป็นพระวาดนะคุณแม่ผมและคุณยายผมท่านบอกว่าท่านไม่เห็นน้องพ่อปานเล่าให้ฟังเออเอาความจริง <c oughs> ก็หมดเรื่องกันมันก็ต้องจบลงตรงนี้อ่ะเพราะว่าท่านไม่ามาได้เห็นนลวงพ่อปานท่านเนล่าให้ฟังก็ต้องเชียร์ท่านมาตอนระยะหลังตอนที่ไปพบกับท่านหลงตามนัดหมายท่านหลวงถามว่าต้องการดูอะไรผมก็ขอแยนดับแรกว่าต้องการดูเอาเวจีมหานรก ท่านลุงลองเออนั่นถามว่าทำไมจึงอยากดูลุมนี้ก็เลยบอกท่านว่าได้ยินท่านแม่กับท่านยายบอกไว้เสมอว่าถ้าทำไม่ดีมีความอากตัญญูไม่รู้คนๆอย่างเท็นเทวทัตแล้วก็จะต้องตกเอเวจีมหานรกท่านลุงบอกไว้ช่ ผูกแล้วแต่ว่าเวชีมหานรกนี่ไม่ใช่จะมาตกแต่เฉพาะคนอัอกตรันยูไม่รู้คนคนเท่านั้นถึงแม้ว่าบาปกรรมยอย่างอืน่นเช่นปานาติบาตฆ่าสัตว์ตชีวิตก็ดีมีการลักการขโมยคดโกองอยื้อแย่งก็ดีหรือว่าทำการมเมสเมชาจานก็ดี ปากร้ายใจเสียคือพูดปดมดเท็จก็ดีเพราะว่าทําจิตกเกลือรลั่วไปได้ความเสียสติคือการดื่มน้ำเมาก็ดี <c oughs> แต่หมดอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่แค่นี้เรือขฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหัร <c oughs> ทําร้ายพระพุทธเจ้าถึง้อบโรหิต ทำสังฆเพศทำสงฆ์ให้แตกกันขโมยของสงฆ์ขโมยของส่วนสธนาธารณะประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าลงอเวจีมหานรกเหมือนกันสำหรับการฆ่าสัตว์ชีวิตถ้าทำไปอจินนกรรมก็ลงนนรกขุมนี้รักขโมยยื้อแย่งคดโกงไปอจิีนกรรมก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกัน ทำกรรมเมสเมชาจารย์เป็นปกติแปรจินตกรรมก็ลงเหมือนกันปากร้ายใจเสียก็ลงอเวจีแปรจินตกรรมแม่ไม่ใช่จินตกรรมเฉยๆนะถ้าไปด่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปอจินตกรรมแล้วเอาแค่ด่าคราวเดียวก็ลงอเวจีมหานรกแม่ท่านพูดแล้วก็อ่อนใจ แรืว่าดื่มสุราไม่ไรเป็นปกติขาดสติสมัญญะก็ลงอเวีจีมหานรกฟังท่านโลวงอาิบายให้ฟังใจหายวาบใจใจหายข้ออื่นนะไม่เท่าไหร่มาใจหายตอนนี้ถ้าตอนโตโตแล้วมันึกใจไม่สบายโทษปานาดีบาทแผจินตกรรมของผมไม่มี อันนี้อาินาทานในชีวิตนี่ไม่เคยรักไม่เคยเคยขโมยใครว่านาดีบาร ท, ทำบ้างเล็กน้อยฆ่าสัตว์ไปถึงสิบตัวแต่ฆ่าคนเกินกว่าสามสิบอย่างไม่แปลจิิยกรรมนี่เแล้วการพูดโกหกโม้เทศอันี่ไม่คยดีนะคะถ้าดื่มสุราไม่ไรไม่เป็นไรไม่มีแน่แต่ว่าสองข้อนั่นไม่เคยดีนะสิ ข้อไหนล่ะกาเมษุมีฉาจานกับโกหกเรื่องโกหกนะี่แต่คนเจ้าชู้มันไม่โกหกไม่เมียไม่โกหกแล้วสาวเขาไม่เชื่อก็เลยหัดโกหกสาวเขาเชื่อไอ้สองข้อนี้แ ม, ม่มันมีโทษมากจริงๆแล้วโกหกท่านผู้ใหญ่ไม่ได้โกหกกับโกหกผู้หญิงสมัยก่อนนะสมัยนี้เลิกแล้ว แกแล้วก็กอกไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นนวัตนากลัวไอ้โทษการเม้นี่มันจะลากลงเวจีมหานรกนี่ผมนึกเฉยๆนะี่ยผมยังไม่ได้ไปแมนรดนรกคุมนี่ก็ยังไม่เคยไปผมบอกแล้วนี่คุมที่เจ็ดกับคุมที่แปดเต็ผมไม่เคยไปกับเขาลงไปถามท่านลงว่าคุมไหนเคยมามั่งท่านไล่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ขุมนี่เป็นผู้ชำนาญการขึ้นขึ้นลงล ง, ลงอยู่เสมอแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารยมมรรคยันนรกอีกสิบขุมนรกบริวารอีกสี่ขุม <c oughs> การเป็นเปลแปลสุรกายเป็นสติฉันผมชำนาญทุกอย่างนี่พูคุยอวดท่านฉะ ก, ก็ยังได้ว่าพวกท่านนังหลายเรียกชำนาญแค่ผมหรือเปล่ายังไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าใครจะเก่งกว่าผมแต่ผมนึ ก, กว่าผมเก่งในท่าทางลงนรกในพระลงมาบาลจา่ะท่านลุงชี้จังหวะได้เห็นภาพแต่ในคราวที่ลงนรกเพราะสายกรรมอะไรเป็นเหตุมาดูดูแล้วก็ทิานลุงพูดกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระบรมโลกในเชตทรงตัดไว้มันเหมือนกันแม่นิสบายใจ ในฐานะที่เราเป็นผู้ชำนาญในการลงนรกไปการเกิดเป็นเปรตแปลสุดกายเป็นสติไดฉันเราเป็นผู้ชำนาญการเราก็เบ่งได้แต่เส้นใดไม่มีเงินเดือนนี่ในเมื่อต้องการจะดูนรกท่านลุงท่านก็บอกกับตรงนี้ยังไงชี้ปับ๊บนรกกระเวจีอยู่ใกล้นิดเดียว แต่เป็นนาภาพของท่านผมว่าท่านไม่ได้ยกนรกมาแต่เพระว่าบางทีนาภาพของท่านทำให้เองไใกล้ไกลท่านถามว่าต้องการดูใครอันดับแรกบอกว่าต้องการดูบริเวณของนรกทั้งหมดก็เห็นบริเวณของนรกทั้งหมดไม่กว้างใหญ่ไพศาลมองมันดูโลกมนุษย์ไปเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลย กับอาเวจีมหานรกโลกมนุษย์นี่มีปริมาณเท่าสักแม่นหนึ่งใน ส, สักพันล้านเท่ามั้งไม่ใช่หนึ่งในร้อยกว้างขวางมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คิดว่าอเวจีจะเต็มท่านอย่ญญาไปอยู่ไม่ได้ไม่ต้องกลัว <c oughs> นรกในะเวจีมหานรกที่อาจจกับท่านผู้ปแปลนะไม่ใช่แต่กัาาจารย์ ที่พระอนุสีมา์เมื่อกี้ท่านผู้แปลแยกนะบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันนะไม่จริงเขาอยู่กันเป็นห้องห้องเหมือนก็ห้องนอนในโรงแรมไม่ปะไม่ปนกัน <c oughs> คนหนึ่งก็มีหนึ่งห้องนี้เท่าทีเอ็น แสงไฟที่นั่นละเอียดมากมีความร้อนจัดเด็กเทือเหล็กที่เป็นแพงสี่ด้านและข้างบนข้างล่างเป็นหกด้านด้วยกัน <c oughs> แสงแดงโชนจัดไฟละเอียดเหมือนกับไฟให้ไฟที่ร้อนจัดเอาสังเกตดูเตาสูบเผาเรือเผาเรือเวลาไฟที่เป็นเ ป, นเปลวไม่ร้อนจัดเวลาที่มันร้อนจัดจริงๆมันไม่มีเปลวละเอียด แต่ว่าไปแนวเวจีมหานรกที่มันละเอียดจริงกว่านั้นระดมบางแจ๋วไมรยากาศสัตว์ที่อยู่ในนั้นกันดูแดงฉานสัตว์แต่และคนสัตว์นรกแต่และคนสูข อ, อกตรึงขยับกายไม่ได้เลยไม่ใช่เล่มเดียวนะ่ะอย่างพระเทวทัพมันพุ่งลงมาจากเพนดานทะลุหัวตั้งแต่หัวทะลุตูดจนไปปักอยู่ข้างล่างปลายอยู่ข้างล่าง ไอ้ตัวหอกปักอยู่ก้งล่างปลายหอกติดชูงบนแล้วปักจะข้างหน้าไปหางหลังปักจะข้างหลังไปหางหน้าปักข้างซ้ายไปหาขวาขวาไปหาซ้ายท่านยืนกลางแข้งกลางขาเสียบหมดทั้งตัวดูแล้วนรไอ้หอกให้ม่เกินกว่าสิบเล่มไปดูท่านโกกาลิกะมองดูถามว่าโกท่านโกกาลิกะคู่หูกับเทวทัตอยู่ตรงไหน ท่านก็ชีไปไปอยู่ห้องใกล้ๆกันกระดูกแดงฉานนั่งในท่าที่พระบุตบอกแล้วเมื่อกี้นี้มีหอกตรึงหมดทุกทุระยะกายขยับเขยืขย่อนไม่มีในรบกุมนี้ไม่มีใครร้องแสดงว่ามีความสมบายมากที่ไม่ร้องเพราะอะไรเพราะหอกวันเสียบปากเขาไว้ขยับปากก็ไม่ได้โอ้สบาย นี่เป็นอาการในเวจีมาหานรกส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังแล้วก็จะเรื่องอต่างๆมาเล่าสู่กันฟังตามรมบาลีแล้ว็เทียบกับี่เห็นมาผมไม่นคนอยากรู้อยากเห็นถ่าก็รู้อยู่แล้ว <c oughs> ถ้าท่าย้อนเข้ามาหาถามว่าบาปการรมอะไรของพระเทวทัตกับท่านเลโกการิกาก็ต้องขอบอกว่าพระเทวทัต บาทยอธิยานต้องการความยิ่งใหญ่ในศา ส, สนา <c oughs> ในความทะเยอทิยานของจิตที่ตัวเองมันเลวแ่วมาคิดว่าดีเนี่ยอย่างเทวทัตเทวทัตรปราถนาจากความกตัญญูรู้คุณในองค์โซนเดตสัมมาสัพุธเจ้า เมื่อเห็นว่าพระพุทธเ จ, จ้าใจดีและท่านนองตนว่าตนนี้ก็เป็นลูกครืองลงงพระพุทธเจ้าเป็นพี่ด้วยแล้วก็เป็นพี่ของว่า น, นามพิมพาซึ่งเป็นมเหสีของสมเด็จพระจินสีสมัยเป็นครวัต <c oughs> เมื่อบวชเข้ามาแล้วได้พิญญาสมาบัติหอเห็นเดอากาศในมิตกายได้ก็เกิดความกำเริบยากจะปกครอง ไปขออนญาตพระพุทธเจ้า พ, พระพุทธเจ้าไม่ทรงในญาตก็โกรธความจริงไม่ได้ดูตัวตัวได้แค่พิญญาส ม, มาบัติซึ่งเป็นโลกีระชันดีซึ่งอาตร า, าวกทั้งสองพระหันก็ยังมีมากการไปยาวหมูป่าเข้าไปปกครองอัจฉรีมันจะเหมาะสมกันเพียงใดแต่เทวทัตไม่รู้สิตัว <c oughs> ต่อมาก็หาทางกล่นแกล้งพระพุทธเจ้าจ้างนายขมังธนูเข้าไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้ในายขมังคธนูพวกนั้นเป็นประสูตีทาคานาคาหังก็ไปบ้างต่อมากลิ้งหินให้ทับพระพุทธเจ้าบังเอิญเศษหินแตกแล้วไปกระทบรถงานพระบาทพระพุทธเจ้าหลบโรหิต หลังจากนั้นมาก็ปล่อยช้างนาลาคิลีให้แทงพระพุทธเจ้าแต่พระอนมนก็นิ้วชี้ยันหน้าไว้ท้ายช้างตุดจ้ำดินทำมันรุนตรายปพระพุทธเจ้าไม่ได้ต่อจากนั้นก็ทากรรมใหญ่เกือแสงเผดธรําสงที่อยู่ร่วมกันให้แตกความสามากีกันเป็นสองพวกเ <c oughs> จาก้าแทังไม่สามารถจะลงสังฆกรรมร่วมกันได้ อ่นบวกรรมนี้เป็นกคำหนักที่สุดที่ว่าเทวทัตเขราโกการิการธรรมเพราะนั้นว่าพระเทวทัตรมกรรมหนักมากจนกระทั่งทรณีไม่สามารถจะส่งไว้ได้แยกลงอเวจียังไม่ทันตายสำหรับพระโกการิการนั้นมาตายแล้วจึงลงอเวจีมหานรกนี่เล่าให้กันฟังเข้าคร่าวย่อ จะได้จา ง, ง่ายๆเอาเรื่องราวละเอียดมาเล่าสู่กันฟังนะมันจำไม่ไหวจำต้นได้ก็ลืมปลายจำปลายได้ก็ลืมต้นรวมความว่าคนที่อยู่ลงเวจีมหานรกก็เป็นคนที่ไม่รู้จักความคำว่าดีคำว่าดีในด้านศีลด้านธรรมคนประเภทนี้ไม่รู้จัก รู้จักอย่างเดียวคือความเมาในหน้าที่ความเมาในศักดิ์ศรีความเมาในอำนาจเมาในความไม่รู้คุณคนเมาในการทากุศลโดยไม่ว่างไม่เว้นไม่สามารถจะเปลืองตนนี้เข้าถึงความดีได้ในที่สุดก็ต้องมาลงอาวจีจีมหานรกสำหรับเรื่องอาวจีนี่บุนคคลที่ลงมีตัวอย่างมากแต่ว่าขุมอื่นไม่คยย่อยมี ในวันหลังจะนำมาคุยให้ฟังต่อไปว่าใครบ้างอันดับแรกก็ควรจะพวกพระมาไลฟังก่อนสำหรับวันนี้ท่านสาวกขงองสมเด็จพระชินวรเรื่องตอนต้นก่อนที่จะสอนเพื่อนกรรมฐ า, านมองดูเวลาก็หมดแล้วก็ต้องขอหยุดก่อนเออความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลจงมีแด่ทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี ในตอนนี้ไปก็ามันดาแต่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายโปรดตั้งใจเตรียมตัวเพื่อสมาทานและกรรมฐาน <c oughs> และฟังคำแนะนำในการปฏิบัติกรรมฐานสำหรับวันนี้ขึ้นต้นกระสินสิถ้าเตรียมตัวรับฟังได้แล้ว